ส่วนประกอบทําการศึกษาปฏิบัติเรากำลังมาเรียนหลักสูตรสูตรของกายสูตรของจิตใจไม่ใช่เรียนแบบหมอแบบนายแพทย์แต่เรียนแบบปำลมัรเท็จตันจริงอย่างไรเรื่องกายเรื่องจิตใจ เห็นกายก็ไม่ใช่เห็นเป็นผมขนเล็บันนังเนือ้อเอ็นกระดูกมามหัวใจตาปอดฟังตืบใช่ใหญ่ใช่น้อยอาหารใหม่อาหารเกร่าอันนั้นไม่ใช่เห็นจิตก็ไม่ใช่เห็นหั ว, หวจิตหอยใจเห็นวิญญาณวันท่องเที่ยวไปอันนั้นก็ไม่ใช่ใน ม, มีสติดูกาย ในสติดูกายหาวิธีที่จะรู้กายโดยอาศัยนิมิเตเป็นเครื่องดูเป็นเครื่องเห็นเห็นใจก็เห็นเวลาที่มันคิดจะไปเพ่งจนเห็นหัวใจมันเต้นไม่ใช่อย่างนั้นเวลาใดที่มันคิดขึ้นมาให้รู้ทันมันจะเข้าไปอยู่ในความคิด ควาคิดนี่ยมันมีสารพัดอย่างแปดมืนสี่พันเรื่องเรื่องกายเรื่องใจเราก็ดักดูดักเห็นอะไรที่มันคิดรู้สึกความคิดมันมีอยู่สองลักษณะตั้งใจคิดและมันรักคิดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจตอนนี้เราไม่ได้มาตั้งใจคิดเรื่องใดหรอก เึงการเรื่องงานเอาไว้ก่อนกลับไปจะค่อยไปทำบางทีเราหาคำตอบจากความคิดเสมอไปบางทีไม่ใช่หาคำตอบจากความคิดเรื่องความคิดก็ต่างหากเรื่องการกระทำต่างหากบางอย่างต้องทำไม่จำเป็นต้องคิดก็ได้ให้เห็นความคิดที่มันโดยเพาะมันรักคิด อันนี้ทำให้หลงได้ง่ายกว่าหลายๆอยเรื่องของกายก็ไม่ค่อยหลงหรอกแต่เรื่องของความคิดถ่ยพาให้หลงกายกายนี่ไม่มีเหตุปัจจัยที่พาให้หลงความคิดใ่แต่ความคิดพาให้หลงกายเป็นเราอาศัยนิมิตคือการเคลื่อนไหวนะการเคลื่อนไหวของกายให้เป็นนิมิต สิ่งที่พาให้หลงการเคลื่อนไหวคือความคิดมากไม่มากเวทนาคือความโปดความเมื่อยอารมณ์เรียกว่ากรรมเรียกว่ารรทำทำที่มันทําให้ที่เป็นกุศลเรากุศลพาให้หลงสติอะเกิดสุขเกิดทุกข์เนี่ยทําให้หลงหลงกายได้แต่สิ่งที่มันหลง พาให้เราหลงเรื่องที่เราทำนะมันจะดีมันจะมันจะประสบการมันจะเป็นบทเรียนมันหลงตรงไหนอะไรที่พาให้หลงนั่นแหละมันจะดีอย่าไปกลัวความหลงอย่าไปอยากได้ความถูกอย่าไปเกลียดความผิดนะใหมันผิดแต่เราเราจะได้รู้สึกจะได้เห็นความผิดมันอยู่ตรงไหน บางทีเราต้องเก่งเพราะมันผิดนะเป็นบัณฑิตเพราะมันผิดถ้าไม่ผิดไม่เป็นบัณฑิตเห็นทุกจึงไม่ทุกเหมือนพระพุทธเจ้าเลยเป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะเห็นทุกผลทุกมันวิธีที่จะเรียน ท, ที่เราศึกษาเนี่ยเป็นวิธีที่อ บทเรียนเป็นประสบการณ์ไปเรื่อยๆการสอนก็เราสอนตัวเราเองการสอนให้เห็นเนี่ยไม่มีใครสอนเราได้นอกจากตัวเราการสอนให้ลู้สอนได้คนเดินสอนได้มีถึงมหาวิลลยสอนให้ลูกแต่ว่าสอนให้เห็นสอนให้เป็นเราต้องสอนตัวเราสอนให้เห็นสอนให้เป็นทำให้เป็น มันคิดเรากลับมาให้เป็นมันหลงเรากลับมาลูให้เป็ น, ม, น, K K ปนมันสุขเราเห็นความสุขอยากเข้าไปอยู่ในความสุขทําให้เป็นมันทุกข์เห็นความทุกข์อยากเข้าไปเป็นผู้ทุกข์ทำให้เป็นออกมาดูออกมาเห็นแต่มันเจีงทางนี้นะมันเจีงภาวะในทางดูในทางเห็นเห็นผิดเรากลับเป็นถูกให้เป็นเห็นทุกข์เรากลับเป็นไม่ทุกข์ให้เป็น เห็นหลงกับเป็นไม่หลงให้เป็นภาวะที่ทําให้เป็นอย่าเนี้ยเราต้องทำเอาเองนะใครก็ช่วยเราไม่ได้เรื่องเนี่ยการสอนให้เกิดความรู้รู้นู่นรู้นี่บางทีก็อาจะเถื่อนไปก็ไ่ะได้จากคนอื่นบางทีก็โก ง, งออกแต่ว่าการสุขการทุกข์นะ ทำอะไร ม, มันสุกมันทุกข์เราเปี่ยนไม่สุกไม่ทุกข์เนี่ยมันลงเราเปลี่ยนเป็นตัวลู่เนี่ยมันผิดเราเปลี่ยนเป็นทุกข์เนีอันนี้เราต้องช่วยตัวเราให้มากๆเรีว่าภาคปฏิบัติไม่ใช่ภาคทฤษฎีนะเป็นภาคปฏิบัติตาตีก็คือโต้อตอบทับทุวง ในทีที่เราทํามันก็มีอยู่โดนจงกลมให้มันลู่ยแต่อยู่เฉยๆสยันลู่ยหาเรื่องที่จะลู่เรื่องกายไม่ใช่เอาตาดูไม่ใช่เอาอะไเอาสติลู่เรื่องกายแต่เราจะอาศัยธรรมชาติให้มันเคลื่อนไหวเช่นลมหายใจการเคลื่อนไหวต่างๆมันไม่พอเรารีบเราเร่งเราปวดวิชา เต้องขยันอาวนาขยันขยันลูกขยันลูกเอาไว้สร้างจังหวัด14จังหวัดตั้งต้นแล้วไปจดปลดตั้งต้นอีกไปจนถึง14จังหวัดเรามาตั้งต้นอีกไปถึง14จังหวัดมาตั้งต้นอีกไปถึง14จังหวัด มันจะหลงตรงไหนจังหวัดไหนที่มันหลงเปลี่ยนเป็นความรู้ตั้งต้นใหม่มันหลงเต้นมันหลงตรงไหนตั้งต้นตรงนั้นหมอกเท่นั้นก็เดินจังกลม <c oughs> เดินจังกลมเดินจังกลมเนี่ยเดินกลับไปกลับมาขับไส้ทีกับขวาทีอยาให้ยาวเกินไปอยากให้สั้นเกินไป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 อย่าทำแบบนั้นบาทีทั้งหลงทั้งรู้ไปเพร้ะพ อ, อมันยพยายามตั้งต้นใหม่ให้มันชัดมันเรามันเราลืนตาดูอะไรถ้ามันไม่ชัดกับคลิปตาคลิปตาใหม่มองใหม่คลิปตาใหม่มองใหม่เพื่อให้มันชัดเพื่อให้มันได้ความคม สติผมก็มีโอ ก, กาสคมให้มันเห็นชัดเป็นความหลงชัดเห็นความลู้ชัดบางทีมันไม่เห็นความหลงความหลงก็หลอกอยู่แล้วล่ะสิบนาทียี่สิบนาทียังหลอกอยู่แล้วล่ะถ้ามาเห็นความหลงชัดเจนความหลงก็หลอกพนยะายามให้มันเห็นความหลงให้มันเห็นความลู้มันต่างกัน <c oughs> เราจึง การทำใหม่ใหม่นี่อ า, อาริยบทนีตั้งใหม่ถ้ายังไม่เข่งก็จะ น, น, นั่งนานถ้านั่งมันนานเอาความนั่งเอาความนา น, าา น, านแข่งขันกันนั่งได้สองชั่วโมงสามชั่วโมงแต่ว่านั่งด้วยความหลงก็ไม่มีประโยชน์นั่งพักเทียบสร้างจังหวะนั่งขัดสมาธิสร้างจังหวะนั่ง อะไรก็ตามเเปลี่ยนได้ถ้ามันไม่ชัดเราเปลี่ยนตั้งต้นใหม่เพื่อให้มันชัดแต่ถ้าผู้ที่ปฏิบัติมานานอาจจะนั่งได้เป็นสามสี่ชั่วโมงก็ได้ทางหมูหลวงพ่อมันนั่งมานานนั่งเทอะไรก็ได้แต่วิธีนั่งเนี่ยการสร้างสติโดยวิธีนั่งนะ บางทีมันก็สาหรับบางคนไม่มีกำหนดว่านั่งนานเท่าไรเดินนานเท่าไรไม่กำหนดไม่มีสูตรตายตัวแล้วแต่ผู้ปฏิบัติจะต้องดูแลตัวเองนั่งเท่าไรเดินเท่าไรความเหมาะสมแต่ว่าจะให้ความปวดค ว, มว ร, รมเมื่อยพารำผายุด ความขยันพาทมความขีดเกียบพาหยุดนะเราจะต้องมีเกตนา <c oughs> มีเกตนามีเกตนาทำไปยกมือก็เกตนายกไม่ใช่ทำเล่นๆนะอยากทำก็ทำอยากหยุดก็หยุดให้ความคิดพาทมบางทีมันคิดจะลุกลุกไปตามความคิด จะเดินก็คุณคิดจะนั่งนั่งไวปตามความคิดอะไรก็ตามบางทีความคิดเนี่ยอยากให้มันออกหน้าเกินไปให้ให้สติมันนำํำจะลุกก็เจตนาลูกสึกตัวลุกจะนั่งก็เจตนาลูกสึกตัวนั่งจะเดินก็เจตนาลูกสึกตัวเดินจะหยุดก็ลูกสึกตัวที่จะหยุดนั่นะความคิดมันมีก่อ คิดจะลุกก็ต้อว่าอย่าให้ความคิดมันสั่งนันก็ว่าเราคิดเป็นตัวหนังตัวนั่งนี่ตัวห น, งวห น, งวหนังตัวสตินี่เป็นอันนึ่งเราจะลุกของเราเองลุกโดยความรู้สึกตัวอาจให้สตินำนะสนติความคิดมันนำแต่พธพื้ไปก็ไม่ใช่สติต้องมันมาก่อนก่อนพูดก่อนทำก่อนคิด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 ใส่ใจลงไปรู้สึกตัวกับมาหานิมิต ท, ที่ตั้งไว้มันมีสิ่งอาศัยอยู่นิมิตเนี่ยพลิกมือยกมือสร้างแข็งวัดมันเป็นนิมิตมันรู้ได้วัตถุที่รู้ก็มีพลิกมือขึ้นมันรู้สึกเนี่ยมันจะคิดไปเท่าไหร่กลับมารู้สึกยกขึ้นรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกอะไรต่ า, างๆรู้สึกที่เรากาหนดเราสาธิตสอนกันแล้ว เป็นในมิดที่อาใัยแล้วก็เราไต่สะพานจับเปล่าเราได้ไต่สะพานเราได้จับเปล่าเดินไปมันจะเซไปมันจะหลาไปทางไหนก็จับราวไว้แล้วก็มันก็จับได้มันก็ใช้ได้เปล่าเปล่าสะพานที่เราไต่ลงบันไดมี <c oughs> เปล่าบันไดช่วยได้ นิมิตนี่ก็ช่วยได้อย่าวางมันหลุดไปแล้วก็คั่ว จ, จับใหม่บางทีมันก็หลุดไปก็จับมาอย่าปล่อยไปเลยการหลงไม่ใช่เหมือนกับไต่เราสะพานความหลงมันก็มีอาสาทะจนให้หลงก็มีเยอะๆ <c oughs> เป็นความพอใจในความหลงหาเรื่องที่จะคิดอะ ลูกเนี่ยมันตั้งอยู่ได้ไม่นานบางทีอาจจะไม่เคยฝึกอยู่กับความหลงสมานานกินกับความหลงเสแล้วอยู่กับอารมณ์ใจก็จิตใจก็ไม่อารมณ์ไม่ได้ว่างไม่ได้สร้างซาจากอารลม์างทีพอที่มาลูกศึกตัวเนี่ยก็เป็นการทวนกระแส พอสมควรคนมีว่าคนมีลูกก็คิดอย่างคนมีลูกคนมีผัวมีเมียก็คิดอย่างคนมีผัวมีเมียคนมีอร่อยก็คิดแบบนไมีัวไม่พลอยไม่ช่างมีมากก็คิดแบบคนไม่ีัวยมีพลอยไม่ช่างมีมากแต่คนไม่มีอะไรก็อาจจะคิดแบบหนึ่งก็ได้ พระทเจ้าไปตัดจากนั้นคนไม่มีอะไรก็ไม่ต้องคิดอะไรมีก็มีอยู่ในหัวใจไม่ใช่มีอยู่นอกหัวใจทางการหัดตัวเองก็จะได้ผลเรียนมากมาการเจริญสติเนี่ยมันมีบทเรียนเยอะแยะมันมีประสบการณ์เยอะแยะแต่ว่าอย่าเที่งหลักหลักของเราก็มีแล้ว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 มันชัดเจนแต่ความรู้สึกตัวมกักจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งสิ่งใดๆก็ได้มันจะสุข ก, ก็รู้สึกสตัวได้มันจะทุกข์ก็รู้สึกตัวได้มันจะโกรธก็รู้สึกสตัวได้มันจะรักมันจะยินดียินไล่รู้สึกตัวได้มันจะร้อนจะหนาวมันจะเหนวจะปวดจะเมื่อยรู้สึกสตัวได้เท่านั้นเอาความรู้สึกตัวไปเกี่ยวข้องไปสอดรู้สอดเห็นอยให้มันเถื่อนได้ แต่กให้มันหลบซ่อนอยู่ได้ความทุกข์แม้แต่นิดเดียวก็รู้สึกตัวความโกรธจะมีก็รู้สึกตัวความพงโกรนจะมีก็รู้สึกตัวความง่วงก็รู้สึกตัวนะแต่ความง่วงพอให้ง่วงความหลงพอให้หลงความผิดพอให้ผิดมันก็ไม่ใช่ปฏิบัติแต่ง่วงหลง่วงกันแหละหลับตาสะพองอ่า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 ได้หลักคือเห็นเกิดเห็นแก่เห็นเจ็บเห็นตายก็มองตรงก้างๆแล้วเมื่อมีเกิดก็ต้องมีไม่เกิดเมื่อมีแก่ก็ต้องมีไม่แก่เมื่อมีเก็บก็ต้องมีไม่เก็บเมือม่อมีตายก็ต้องมีไม่ตายในสิท ธ, ธัตถะเจ้าพ่อชายพอคิดอย่างนี้จึงได้ออกสแสวงหาจึงได้ตัดสู่เป็นพันตุลาสัมมาสัมโพธิญาตก็มองแบบนี้น คืออยากไปจำน้นเนี่ยไยอมมันนั่นมาจากยิ่งใหญ่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแต่ความหลงเนี่ะมันไม่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเราจะไม่มองเราจะไม่ทําให้ชัดเจนเท่านี้นจะทำไม่ได้หรือความโกรธนะความทุกข์่าเนี่ยอะมันไม่มันไม่ลึกล้ำเหมือนกับความเกิดแก่เจ็บตาย ความโกรธความหลงความโลภความเลอะความชังมันกับจิดลิดนิดเตียวก็วยังหลงอยู่สิบนาทีแล้วยี่สิบนาทีแล้วชั่วโมงหนึ่งแล้วยังหลงอยู่ยังหมกมุ่นคนคิดอยู่แต่อ่อนแอถึงขนาดนั้นต้องกลับมาให้ไวกลับปฏิคือกลับปฏิบัติคือกลับมากลับมาหาที่ตั้ง อย่าว่าเราตั้งไว้ที่กายจล้วก็เคลื่อนไหวตั้งไว้ควาคิดไปบุรีรำคิดไปเชียงภูมิคิดไปกรุงเทพคิดถึงลูกอะไรก็ตามกลับมาบางทีปัญหาคำตอบจากความคิดทำไมทำไมทำไมอยู่เรื่อยไม่ต้องเวลานี่เจ็ดวันเนี่ยเราไม่ต้องเมอะไรมาทำเรื่องนี่เรื่องเดียวเรื่องอื่นที่มันสอดมันมากจะพลั้าเข้าม า, าไม่เกี่ยว ออกมาสร้างความรู้สึกตัวออกมาทาเรื่องนี้ยนาปฏิบัติบางทีหอบหอบหอบความคิดหอบการบ้านมาอะไรไม่เอาเอาไปผ่อนบางทีเราทําตัวนี้อาจจะเสร็จตัวนู้นไปเลยความโกรธความเครียดแค้นบางทีมาทําตัวนี้อาจจะหายไปเลยไม่ใช่ไปหาคำตอบทําไมทําไมจึงทํากับเราไมื่น่าจะทําอย่างนั้นไม่น่าจะทํานี่ อาจารไว้พูดอย่างนั้นลงไว้พูดอย่างอาจจะไม่ต้องพูดอะไรมันจะจบไปเลย <c oughs> ทำสติอย่างเดียวจบไปร้อยเรื่องพันยาถูกไปร้อยเรื่องพันหยาเฉลยไปได้ร้อยเรื่องพันหยามาแต่มาตั้งต้นจากตรงนี้ให้็นความรู้สึกตัวลองดอูว่าจะมีจริงไหมอ่า เสิทธิส่าธิปัญญาําจัดกิเลสได้จริงไหมสติเน่ทําให้เป็นมารดาของความดีทั้งหลายได้จริงหรืออความหลงทําให้เป็นมารดาของความผิดได้จริงจริงไหมมาดูจะได้คำตอบอเอาไปเอามาก็จะเห็นโอ้มไม่มีอะไรไม่แต่ความหลงกับความรู้นี่แหละ เอาจังเก่แล้วไม่มากหรอกนะทำใหม่ๆมันก็บปูกับปูใช้กระดุกถ้าครบโน่นถ้าครบนี่พอทำไปทำไปทำไปมันไม่มีอะไรมากมีแต่ตัวลูกกับตัวหลงแล้วตัวหลงก็ไม่ใหญ่โตนะทาง่ายกั่ตัวลูกถึงง่ายกว่าตัวหลงด้วยซ้ำฝันาที่เราไปกลัวความหลงเอาจริงเก่งแล้วมันไม่ไม่น่ากลัวความหลงหายใจเข้าก็แก้หลงได้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 ถ้าไม่มีสติจะไม่เห็นตัวหลงพราคนอยู่กับความหลงจะเห็นความหลงได้อย่างไ <Buenos S 1> คนไม่มีสติจะเห็นความหลงได้ <S <S นะเะอกันกอยู่บนนกอยู่บนป้าไม่เห็นฟ้าปลาอยู่ในน้ำไม่เห็นนา้านอนอยู่ในครูดไม่เห็นคลูดไช่เดือนอยู่ในดินไม่เห็นดินคนอยู่ในความคิดก็ไม่เห็นความคิดถ้าเรามาดูเราจะเห็น คนอยู่กับความทุกข์ก็ไม่เห็นความทุกข์คนเมา ก, ก็ไม่รู้จะว่าตัวเองเมาคนที่ไม่เมาตั้งหากเห็นคดเป่าคนที่มีสติบางทีคนพูดก็รู้ปิยาก็รู้โอขาดสติขาดสติ <c oughs> เราลองมาสร้างตัวไองเลยมารับดวงตามาลืน ต, ตม า, ม, ต ม, า ม, ตมาดูตัวเอง มันสองกระจกมันก็มองกลับมาหาตัวเรามองไปข้างหน้าแต่มันกลับมาหาตัวเราความรู้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นอะไรทุกอย่างกว่าที่จะรู้สึกตัวได้เนี่ยโอ้มันก็ผ่านมาหลายแล้วมันผ่านอะไรเยอะแยะมาแล้วพอที่จะมาพลิกมือขึ้นรู้สึกตัวยกมือรู้สึกตัวเนี่ยมันผ่าน ผ่านอากุศลมาก็ได้ผ่านบาปมาคนที่จะมายกมือสร้างกี่ว่ารู้สึกตัวมันผ่านบาปมาแล้วผ่านพลุนพลังมาแล้วมารู้สึกตัวเนี่ยนะดีแล้วลคนมีความรู้สึกตัวมันก็แล้วความชั่วแล้วคนมีความรู้สึกตัวก็ทําดีแล้วอคนมีความรู้สึกตัวจิตมันก็จะบริสุทธิ์เพราะมันไม่ไปย่อมอะไรเพราว่ามันผ่านบาปมาแล้ว พอที่มาพิชมุ่งรู้สกตัวแล้วความช่วยทาความดีเขาคือตัวนี้แล้วเราไปทําอะไรไหมเรารู้สึกตัวไม่ได้ทําอะไรเลยเรามันมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวทําดีแล้วรู้สึกตัวก็บละความชั่วแล้วรู้สึกตัวจิตมันก็ค่อยสะอาดบริสุทธิ์ไปออกไปไปไกลไปไกลไปไ ป, ไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปจากความหลง ความหลงก็อยู่ใกลถ้ารู้สึกตัวมันไม่รู้สึกตัวความหลงก็อยู่ใกล้ไกลถ้ามันของอยู่ใกล้มันก็จามองไม่เห็นมันมันขนตาแล้วมันมองไม่เห็นความหลงถ้าอยู่ใกล้มันก็มองไม่เห็นหลงก็เฉยอยู่ได้โกรธก็เฉยอยู่ได้นะมันอยู่ใกล้ตัวเรามองไม่เห็นถ้าเรารู้สึกตัวโอ้อคนเราเรื่องกันเลยนะ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 เด็กน้อยในโชกโภคก็ยังเล่นอยู่นะเนี่ยแต่ถ้าผู้ใหญ่มันก็ไม่เอาชีวิตเราก็บังกับมันต้องเป็นผู้ใหญ่ต้องเจริญเติบโตความรู้สึกตัวทําให้เราอาได้บทเรียนได้ประสบการณ์ได้เห็นแก่งล่วงพ้นภาวะเก่าล่วงพ้นภาวะเก่าเราไม่เคยรู้สึกตัวนะ ก็ไม่เห็นความหลงก็เอาความหลงแหละถ้าโูดสึกตัวไม่กล้าเอาความหลงเพราะไม่มันไม่ถูกต้องมากๆความหลงถ้าเราโูดสึกตัวแล้วไม่กล้าพอมันหลงทีเลยตกใจเลยนะตกใจโอ้ยคลายว่ามันผลหัวลุกเราพูดแล้วตัวหลงตัวนี้ก็ผิดศินนะ อาศินอริยการตัสินอะหลงแล้วก็ผิดสินแล้วแม้แต่คิดที่แม่ได้ตั้งใจที่บรรลกคิดก็ผิดสินแล้วพระพุทเจ้าต่ัสรู้นั้นจริงจร <c oughs> ิงรทิทสุทั้งหลายเมื่อเธอคุณคิดในอารมณ์ที่คุณคิดทิสุทั้งหลายเมื่อเธอคุณคิดในอารมณ์ที่คุณคิดก็ถือว่าสินของเธอทะลุแล้วด่างแล้วพลอยแล้ว เธอไม่รู้จักสลัดความคิดดันออกไม่มีสติถือว่าศีลของเธอจะรู้แล้วด่างแล้วพลอยแล้วนี่ศีลพรมจรรันนะไม่ใช่ศีลศึกไม่ใช่ศีลสังคมไม่ใช่ศีลสมาถานเรื่องคนที่หมกมุ่นคนุณคนะิดน่ะก็เชยอยู่ เพรไม่รู้สึกตัวแน่ใจความโกรธก็ยังไม่มันอยู่กับเราได้ข้าวันข้ามคืนพมอยากจะลืมโดยสักคนถ้ากูได้โกรธเรตายกูก็ไม่ลืมอ่าอาจะคิดไปทํานองนั้นอุ้ยมันจะเอาได้ยังไงเพราะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เลยควมรู้สึกตัวคมรู้สึกตัวนะ มันบริสุดธิเหมือนอยู่กับพ่อกับแม่อุ่นใจก็โกรธบางคนทัดปัน่นอยู่ในอุ้งมือของหมานมันก็ดินด้นแล้วไม่เม่ไปแล้วป๋าีแล้ ว, ว, ว, ว, ว, ว, วไม่ต้องมามีใครฮ่ามันเห็นเราจะมาผลิตัวนี้ในหลักสูตรของเราเนาะให้มันเจริญเติบโต ความรู้สึกตัวเนี่ยถ้าได้มีได้มากแล้วพาวิตาภพรีรกตาสังวรตันติทำให้มากเจริญให้มากเกิดมากเกิดผลเกิดรู้แจ้งร่วงพ้นภาวะเก่าสติเนี่เป็นการตั้งต้นข้ามกลางก็คือสติที่สุดก็คือสติ ันถึงพระอระหันต์ก็คือผู้ที่มีสติสมบูรณ์อุชงกายังตริมุขขังสติงวัตเตเปตวาพระขีณาสกผู้มีสติเป็นวินัยไม่เผลอพระขีณาสกคือพระอรหันต์มีสติไม่เผลอที่สุดก็คือสตินะั้น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 หลงก็เป็นคนหลายคนไปแหละอ่าเป็นคนหลายคนไปแล้วถ้าหลงคนเราเรื่องคนไปแล้วเกิดการขัดแย้งเกิดการไปคนละทิศละทางถ้าลู้อันเดียวกันเลยอันเดียวกันเลยู้อยู่ในละเยอะลู Global ่ในลู่อยู่แนละลู้อยู่ในละลู่อยู่แหละเออลู่ถามกันเรื่องจิตเหมือนเมืองเดลี มังเดลีนเนี่ยตอนเหนือของอินเดียสมัยเครื่งพุทธการไปสอถามเรื่องการเจริญสติกันมีสติหรือเปล่าไม่มีสติหรือเปล่าไ ม, ม่อยู่เรวไม่อยู่เออจะหลงนะจะหลงนะะถามกันเรื่องใหญ่มากเพราะที่นั่นโอรเจ้าแสดงสติปัฏฐานนสุขคนโกรธคนเรื่องสติเต็มบ้านเต็มเมือง เป็นเมืองหลวงปัจจุบันเป็นลีเป็รัฐอะไรรัฐรัฐอะไรรัฐปัตตานีหรือรัฐอะไ ร, รลืมไปอ่าห่างจากอ่าสาวัตีประมาณสามสี่ร้อยกิโ ล, <c oughs> <c oughs> ลเรามีสถียรนะ ถ้าไม่มีสติก็ไม่รู้แล้ววามลงก็ไม่รู้เราจึงมาสร้างนะอ่าตั้งใจเจตนาเจตนาสร้างถ้ามีเจตนามันแม่นยำนะถ้าไม่มีเจตนาไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่ทำเล่นๆไปเจตนาสิต้องยกมือรู้สึกกดเคลื่อนไหวรู้สึกวางลงรู้สึกให้มันชัดเจนชัดเจนแม่นยำ แล้วออกกับบ้านใส่กุญแจล็อกกุญแจออกกับบ้านปิดหน้าต่างลําดับติดหน้าต่างเก็บข้าวเก็บของรถคัดเอ า, ใ ส, เอาใส่กุญแจล็อกกุญแจเอากุญแจใส่กระเป๋าชัดเจนแม่นยําถ้าเราทําอะไรที่มันชัดเจนแม่นยําก็มั่นใจอยู่ตรงไหนตรงไหนลูกนะของอยู่ในบ้านในเรือนเราอยู่กรุงเทพ อ, อยู่สุกโตเนี่ยลู่จักเราอยู่สุกโตของอยู่กรุงเทพสั่งไว้เอาได้คญแจยอยู่ตรงนั้นนะสั่งได้ถ้ามันแม่นย่อมมันชัดเจนบางทีชีวิตเราพลาดพลาดพลาดพลาวางคว่างออกจากฟานแล้วเออเราได้ใส่คนแจรหรือเปล่าต้องกลับมาดูอีกนะบางทีก็ไม่ใส่บางทีก็ใส่ ใสแล้วก็แย่ไว้ไหนก็แย่ไว้ไหนตบหน้าตบหลังเอาไปมาก็ลืมไม่รู้พื่อไม่ชัดเจนไม่แม่นยำหัดใช้ชีวิตให้มันชัดเจนแม่นยำดีๆจะมีประโยชน์มากมายเป็นวงจรของชีวิตเรานะสุขภาพก็ดีสังคมก็ดีเศรษฐกิจก็ดีดีแล้ยอยากถ้าคนมีสตินะเพราะไม่สิ้นเปลืองพลังงาน มันใช่เฉพาะเฉพาะเฉพาะแต่เราไม่มีเสด็โอ้ยพลังงานไม่รู้อะไรนะะหลายอย่างแต่ก็ความคิดเนี่ยก็เส้นเปืองพลังงานนะถ้าคนคิดต้องมากไม่มีสาเหตุบางคืนว่าขวัญกลางวันว่าคิดหมกม้่นคนคิดเยหมดพลังงานนะสุขภาพจะไม่ดีนะเหนื่อยนะนอนก็ไม่หลับดีไม่พักผ่อน นอนก็มีแต่ฟันตื่นขึ้นมาก็หมดเรี่ยวหมดแรงถ้ามีสติมันจะถ น, นองนะสุขภาพก็จะดีพลังงานไม่สิ้นเปลืองนะมาใช้พลังงานให้สิ้นเปลืองก็เฉพาะเรื่องนะมาใช่เฉพาะเรื่องนะเราใช้เราใช้ชีวิตเราใช้ตาเราใช้หูเราใช้จมูก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 อารมณ์กับกจิตนะก็เลยหมดพลังงานเป็นธาตุเป็นธ า, นะาตุของอารมณ์ใจในมันกับคู่กับอารมณ์ดูดีๆนะดูดีๆนะเรามองมาออกใจในมันบริสุทธิ์อารมณ์มันทำให้เศร้าหลวงพ่อพูดวันก่อนๆใจมันต้องปกติ ปกติเป็ที่อยู่ของใจเป็นบ้านของใจดูจากไหมดูจากบ้านของใจไหมโดยใจเรามีบ้านอยู่ไหมไปชนไหนล่ะเกี่ยวกับความปกติไหมไหนะ่เดี๋ยอารมณ์พท่องเที่ยวอารมณ์ก็ชวนออกจากบ้านนะใช่ไหมอารมณ์ชวนออกจากบ้านนะไปไหนห่ะไปลักไปชังไปยินดีไปยินร้า อโลอารมันชวนออกจากบ้าพระพัฒมีตังที่เขเวกิดตังปันจะโข อ, อคันตุกเกหิอุปกิเลเสิอุปยิจิริถังพระเจ้าว่านภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายท่านทั้งหลายเราเก่าวว่ากิดนี้ประพัฒน์สอนผองใสยอยู่เสมอ แต่อุบาจิเลตมันทำให้เศร้าหมองจิตของเรามันปกติประพัสสอนบริสุทธิ์อยู่แต่ว่าอาคารตกะมันจะมาชวนไปทำให้เศร้าทำให้ยินดีทำให้ยินไดนะ้เราก็ไม่สงวนตรงนี้่อยฝาละเลยแตหลวงพ่อคยพูดบ่อยๆว่าโสเพนีกิตเขาเหิวไปไหนก็ได้นะเขาเหิวไปไง่ายๆ ไม่มีอะไรที่เฮงง่ายไปกวจิตนะซ้สำซ้อนที่สุดถือกิตแล้วมันก็เป็นอันตรายนละ้วแต่เป็นเฟรตเป็นสุรกายเป็นสันนโรกเป็นเนริาชานก็พอกินไี่แล้วมโนปภพพังขมาธรรมามโนเสถามโนโมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จก็เพราใจนะเราค่อยเปิแล้วเลยไม่ไดวิธีที่ฝึกใจก็คือสตินี่ยแหละไม่มีอะไรที่ฝึกใจได้นอกจากสติ แต่เรียนรู้อะไรมันก็ใช่ไม่ไห้นอกจากความรู้สึกตัวเรามาสร้างความรู้สึกตัวนะตอนมีความรู้สึกตัวมันทําทุกอย่างมันก็อยู่ในบ้านมันก็หัดฝึกหัดกิจมันไม่มีตัวไม่ตนแต่ให้มันรู้ตรงนี้รู้อยู่เพรมันรู้มันก็อยู่พอนไปเราก็กลับมารู้มันเชื่อแต่เชื่อที่ผูก แต่แม้นว่ากิจมันไม่ ม, มีตัวมีตัวมันก็อยู่นะทะูุสึกตัวน่งมันไปเราก็ลู้สึกตัวมันก็กลับมาตัวนี้เราทำการสอนกิจพระเจ้าก็เคยพูดอย่างนี้เคยบอกเคยสอนพวกเราเอกะมรโครวิสุทธิยาทางหมายเลขหนึ่งเอกะคือหนึ่งมรคือทางวิสุทธิยาทางไปสู่ความบริสุทธิ์ คือความรู้สึกตัวรู้สึกตัวทีนี้ก็เลยเขียนไว้ใส้ใหญ่โตสถาบันสติปัญฐานรรมบันนั่นแหละนะเพราะมันยิ่งใหญ่ยิงเรื่องของสติเนี่ยมันเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับชีวิตเราจริงจรประมาทไม่ได้หรอะเพราะเราจึงพูดแต่กับเรื่องนี้่อเรื่องอื่นเราไว้ก่อนนะคนอื่นเขาพูดก่อนเรามาพูดเรื่องไหนเรื่องกายเรื่องสติเรื่องไหนเรืรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะ คนะนอื่นไม่ต้องพูดออกโกลงเลยนะประสบการณ์เลยเรียนได้รู้ได้เห็นมามากแต่ตรงนี้เก๋ตรงนี้ต้องแน่นอนนะยอมรับนะพอมาพูดเรื่องสติเนี่ยโอ้หลวงพ่อยอมรับเลยแต่ไม่ก่อนก็นึกว่าตัวเองวิเศษนะพอหลวงพ่อเรดเดียนมาพูดเรื่องสติโอ้แต่ก่อนเราเรืว่า ไขี่ก็บอกไม่ไผ่ข้ามแม่น้ำโขงนะมันถือว่าวิเศษอไปดูอะไรดูออกนะเป็นหมอเศรษฐศาสตร์นะจำไวก่อนไปเป็นเด็กน้อยอายุสิบเกดจีสิบเกดปีคนแก่คนเท่าก็มากราบมาไหว้แล้วก็เรียกว่าเราวิเศษไม่ให้กราบขอพ่อกราบให้พ่อกราบเธอลูกให้พ่อกราบขอกราบให้พ่อเราเป็นหมอเศรษฐศาสตร์ไอ้คนออกลูกออกเต่าไปดูอะไรก็อย่าง โอ้โห ม, มาฟังงพ่อเทียนสอนเรื่องเศรษฐีโอ้ยเราจอมหลักนะฮะอยากให้มันลงนางเกินไปเถอะพวกเราคนะ่อนคนแล้วครึ่งคนแล้วหลวงพ่อหลงมาถึง30ปีนะจ๊ะหลงออ้เสียลูกผมร้อยผมดีไป30ปีกอบกู้ขึ้นมาได้แล้วมันเ้ยหกสิบหกหกสปีแหลนะฮะ แล้วเราก็ตีตื้นเนาะตีตื้นไหมลึกไหมความหลงมันลึกไหมเอาให้มันตื้นกันมามนตื้นกันมาลูกทุกตัวเป็นเรื่องตื่นเลยล้ลนนะฮะชีวิต เ, เรานาะความลูกความหลงไม่มากหอกนะอย่าคิดว่ามากนะอย่าคิดว่ายากนะความหลงมันไม่ขี่ช่างขีดว่ามาหรอกถ้าไม่สตา์อาวุธหรอกอย่าชื่อว่าเป็นเรื่องยากโอ้ยทํำไม่ได้ไม่ใช่ เพียงแต่หาใจเข้าหายใจออกเป็นตัวรูดะความหลงแบบนี้เนี่ยยิ่งเรามาพลิกมือช่างทช่ไหมมันก็ตั้งต้นจากความหลงความหลงมันเหมือนเนี้ยมือ <c oughs> สามเนี้นยความหลงเนี่ยสูงกว่าเขาสูงกว่าเขาไหมความหลงเหมือนตรงกลางแล้วมันถ้าหลงมันโกรธก็ได้ถ้าหลงมันโลภ ก, ก็ได้เพราะอยู่ตรงกลางมันมันมีอำนาจตลอด โค้ดหลงเชียงทุกโค้ดหลงเชีงโกรธโค้ดหลงเชียงอะไรตัวหลงนี่แหละเอาตังจริงแล้วคือตัวหลง <c oughs> ตัวหลงในใหญ่นะพิคิดกับความหลงคือความรู้สึกตัวจะไปห้ามไม่ให้โกรธไม่ใช่จะไปห้ามไม่ให้โลภจะไห้ามไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ได้เพราะมันมีเหตุตัวไหน <c oughs> เรามารู้สึกตัวเรามารู้สึกตัวตัวหลงนี่ไม่ต้องสู้เลยไม่ให้มันไม่มีเหยื่อ พอเราลูบเสียตัวมันไม่ได้กินอาหารมันก็เหี่ยวแห้งไปเหมือนกับบักเขียบหลอดมันจะบกเขียบหลอดออะบะฮะบกเขียบบกเขียบบกเขียบหลอดใช่งไหมบกเขียบก็คือบกน้อยหน่าน้อยหน่ามันหลอดเรืจากมันหลอดนะมันหลอดมันดําปีติดต้นมันอยู่นะไม่มีประโยชน์เลย มันหลอดพนะ่วงหลงมันหลอดมันใช่ไม่ได้แล้วพ่วงหลงไม่ใช่ไม่ได้มันหลอดครมันไม่เกี่ยวกระทบต่อลำต้นมอะไรไม่ได้ดูดน้ำจากลํำต้นมันหลอดเราไม่เสียพลังงานเลยต่างหากแต่มันดูดเราไปพ่วงหลงออเพราะนั้นเราจะอมาสร้างน ะ, ะเราจะพาปฏิบัติกันก <c oughs> านรจงสิน เป็นตัวที่นำอย่างดีที่สุดนะผมวงพ่อก็เก็บเอลนั่งนานก็ได้แต่ก็นั่งได้อะไรแข่งพวกเราได้นะเก็บเอลแต่ไม่นั่งแข่งกันนะอาะารย์ก็พอเนาะกราบพระพ่อกับ <c oughs> อะระหังจามังจัมมุตโตภะโะภูตภะคะวันตังอะิวิสวโตภะวจมันะมิสปะิโนภะวะโสะ